จากนั้นจึงวกกลับมาทางเดิมอีกที่ที่หลวงตาเดินออกมารับบาดเป็นถนนสายเล็กๆนับว่าท่านเดินไกลพอสมควรทีเดียวขนาดผมขีจ่จักรยานไปวัดยังเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วท่านเดินออกมารับบาดไกลเลิเกินต่อมาภายหลังท่านเดินรับบาดตรงสามแยกยนเส้นทางรับบาดเรื่อยมาตามความเหมาะสมกับวัยของท่านที่มากขึ้นทุกปีทุกปี